วันนี้ก็เป็นวันจันทร์วันทำงานของญาติโยมส่วนใหญ่ต้องไปทำภารกิจหน้าที่ทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องก็เลยไม่มีเวลามาทำบุญพวกที่มาทำบุญนี้จึงถือว่าเป็นพวกที่มีบุญไม่ต้องไปทำงานทำการมีเวลาว่างพอที่จะมาทำบุญกันได้ ก็เลยรีบมาทํากันเพราะบุญนี้ก็เป็นเหมือนน้ําที่เราใส่ตักเข้าตุ่มน้ําำถ้าเราไม่ตักน้ําเข้าตุ่มน้ํามันก็ไม่มีน้ําในตุ่มแต่ถ้าเราตักน้ําใส่ตุ่มไปเรื่อยๆน้ําในตุ่มก็จะมีมากขึ้นไปเรื่อยๆบุญนี้ก็เป็นเหมือนน้ํำตุ่มก็คือใจของพวกเราใจของพวกเรานี้ไม่ใช่ร่างกาย ร่างกายนี้ต้องใช้อาหารเติมให้มันต้องใช้ปัจจัยสี่แต่ใจนี้ต้องใช้บุญพอเราทำบุญปั๊บก็เท่ากับเราเอาบุญใส่เข้าไปในใจแล้วเราก็สามารถเอาติดเอาบุญติดไปกับเราได้เวลาที่ร่างกายนี้ตายไปบุญนี้ไม่ได้หายไปกับร่างกาย บุญไปกับใจของเราต่อไปจะพาให้เราไปอยู่อย่างสุขสบายในโลกทิพย์นะโลกทิพย์โลกที่ไม่มีร่างกายโลกของดวงวิญญาณที่จะสุขหรือจะทุกข์ก็อยู่ที่บุญหรือบาปที่เอาติดตัวไปดังนั้นถ้าเรามีเวลาว่างเมื่อไหร่เข้าวัดทำบุญทำทานได้เมื่อไหร่รีบทำกันเลย เพราะว่ายิ่งทำมากก็ยิ่งมีมากเอาติดตัวไปได้มากทำน้อยก็เอาติดตัวไปได้น้อย <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> เวลาคนตายเราจึงมักจะทำบุญส่งให้คนตายกัน <Yeah. S 2> เพราะเราไม่รู้ว่าเขามีบุญติดตัวไปหรือเปล่า <Yeah. S 2> แต่บุญที่เราทำส่งไปให้เขานี้มันไม่มาก <Yeah. S 2> เหมือนกับบุญที่เราทากันในขณะที่มีชีวิตอยู่ <Yeah. S 2> บุญที่เราทานี่เราได้ร้อยทั้งร้อย บุญที่เราส่งไปให้คนตายนี่ส่งไปได้ครึ่งส่วนหนึ่งเท่านั้นเองไม่ไม่ได้ทั้งหมดนะดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้พวกเราอย่าประมาทกันอย่านอนใจคิดว่าเราจะมีเวลาทำบุญความตายมันไม่ได้มานัดกับเราว่าวันนั้นวันนี้นะมันนึกอยากจะมาเยี่ยมเราเมื่อไหร่มันก็มาได้ทันที แล้วเวลามันมาเราก็ห้ามมันไม่ได้ด้วยบอกอย่าพึ่งมาอย่าพึ่งมาเยี่ยมเราห้ามมันไม่ได้นะความตายนัดมันไม่ได้นัดมันว่าไว้รอร้อยปีแล้วค่อยมานะนัดไม่ได้นะความตายนี่มันนึกอยากจะมาเมื่อไหร่มันก็มาเหมือนฝนฟ้าอากาศเนี่ยฝนมันนึกจะตกลงมามันก็ตกลงมา มันไม่นัดกับเราล่วงหน้าก่อนเพราะฉะนั้นอย่าประมาทให้รีบให้นึกถึงความตายอยู่เรื่อยเ ร, ยเรามักจะลืมความตายกันเรามักจะไม่คิดถึงความตายกันเพราะเรากลัวความตายกันเราจึงไม่กล้าคิดถึงความตายเพราะกลัวว่าถ้าคิดถึงความตายแล้วเหมือนจะแะเหมือนจะสาบแช่งตัวเองให้ตาย แม้แต่คำว่าตายก็ยังไม่ชอบพูดกันเลยไม่กล้าพูดคำว่าตายเวลาคนตายนี้เราไม่บอกว่าเขาตายเราบอกเ้าว่าสิ้นลมแล้วไม่มีไม่หายใจแล้วแต่คำว่าตายนี่เป็นคำประมงคลในความคิดของผู้ที่มีกิเลสตัณหาแต่ ในความคิดของผู้ที่มีปัญญาผู้ที่ฉลาดจะเห็นว่าการคิดถึงความตายนี้เป็นประโยชน์เพราะจะเตือนให้เรารู้ว่าชีวิตของเรานี้ไม่แน่นอนอย่ามัวทำสิ่งที่มันไม่มีสาระไม่มีประโยชน์กับจิตใจเพราะเราเอาติดตัวไปกับเราไม่ได้ของที่ ของที่ใจเอาติดตัวไปไม่ได้นะอย่าทำทำแล้วตายไปเอาไปไม่ได้เช่นเงินทองนี่มีกี่ร้อยล้านพันล้านนี่เอาไปไม่ได้นะเวลาตายตำแหน่งที่วิ่งหากันอยู่นี่เลือกต้องเลือกตั้งกันอยู่นี่เอาไปไม่ได้นะเวลาตายเกิดเลือกตั้งมาที่ยีบสีได้ตำแหน่งเป็นนายกพอดีวันถัดมาหัวใจวายตายไป เอาไปไม่ได้เลยนะนายกก็ต้องเปลี่ยนคนใหม่เลือกคนใหม่เะฉะนั้นอย่าไปขวนขวายกับสิ่งที่เราไปไม่ได้ไม่เกิดประโยชน์อะไรเป็นเพียงประโยชน์ชั่วประเดียวประดาวชั่วคราวเท่านั้นเองอยู่แบบไม่เป็นนายกก็อยู่ได้มีความสุขได้แล้วมีความสุขมากกว่าเป็นนายกเสียอีกแต่ความหลงมันจะหลอกให้เราคิดว่า โอ้ยถ้าเราเป็นใหญ่เป็นโตเราจะมีความสุขมากมันมีความสุขกับความปวดหัว น, นั่นเองมีเรื่องมีราวให้มาปวดหัวมีเรื่องมีราวให้ชาวบ้านเขาคอยด่าอยู่ด้วยมีใครไม่ด่านายกบ้างอพอไม่เป็นนายกไม่มีใครด่าเลยพอขึ้นไปเป็นนายกปั๊บเดี๋ยวโดนด่าแล้วมีแต่เรื่องปวดหัว แต่ย่อแต่อยากเป็นกันเลิกกันปวดหัวเท่าไหร่ก็ขอทนปวดเถิดขอให้เป็นนายกก็แล้วกันขอให้เป็นใหญ่เป็นโตก็แล้วกันซู้เป็นขอทานไม่ได้ไม่มีใครมาด่าไม่มีใครมายุ่งกับเราไม่มีใครเขาแยแสอยู่สบายไม่มีเรื่องมีราวนะอย่าเอาไปนะ อย่าหาของที่เอาไปไม่ได้หาของที่เอาไปได้ถ้าเกิดเราต้องย้ายบ้านวันนี้พรุ่งนี้ของไหนที่เราเอาไปไม่ได้เรา ก, ก็เอาไปเช่นบ้านที่เราเอาไปไม่ได้ถ้าต้องย้ายบ้านเอาไปได้ก็เสื้อผ้าข้าวของหรือเงินทองอันนี้ก็เหมือนกันเวลาตายไปนี่ใจเอาอะไรไปไม่ได้เลยนะ ร่างกายนี้ก็เอาไปไม่ได้อร่างกายที่เราแสนรักแสนหวงแสนห่วงนี้ก็เอาไปไม่ได้เงินทองมากน้อยเพียงไรก็เอาไปไม่ได้อยศตําแหน่งอะไรต่างๆก็เอาไปไม่ได้เกียรติเยอะเกียรติชื่อเสียงเออรางวีรางวัลอะไรต่างๆเหรียญเงินเหรียญทองเหรียญทองแดง ตุกตาทองตุกตาเงินเอาไปไม่ได้ความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายก็เอาไปไม่ได้รูปเสียงกลิ่นรสต่างๆข้าวของต่างๆเอาไปไม่ได้เลยทิ้งให้คนอื่นเข้าไปหมดหามาแทบเป็นแทบตายพอหมดลมหายใจปั๊บนี่ เอาะไรติดตัวไปไม่ได้นอกจากบุญกับบาปเท่านั้นเององั้นรีบมาทำบุญกันดีกว่าแล้วก็รีบรักษาศีลกันอย่าทำบาปกันดีกว่าการทำบาปทำเพราะอะไรก็เพราะอยากได้ข้าวของเงินทองอยากได้เป็นใหญ่เป็นโตก็เลยต้องบางทีต้องทำบาปกันถึงจะได้ ถ้าไม่ทำบาปก็ไม่ได้ถ้าไม่โกงก็ไม่ได้เงินเยอะไม่หลอกลวงก็ไม่ได้เงินทองเยอะก็ต้องหลอกลวงกันโกหกหลอกลวงกันโกงกันถึงจะได้ข้าวของเงินทองมาได้บาปมาไม่รู้สึกตัวเงินทองเอาอไปไม่ได้แต่เวลาตายไปบาปมันไปด้วย บาปจะไม่ให้มันไปของที่เราไม่อยากให้มันไปมันก็จะไปของที่เราอยากจะเอาไปมันก็ไม่ไปเออาของเงินทองที่เราหามาด้วยการโกงนี่เอาไปไม่ได้แต่บาปที่เกิดจากการโกงนี้มันไปกับเราเรามีบาปติดตัวไปก็เป็นเหมือนมีคดีติดตัวไปเห็นไหมคนที่มีคดีหนีออกนอกประเทศไปก็ยังล้านคดีไม่ได้ คดีมันก็ยังอยู่ถ้ากลับมาบ้านเมืองเมื่อไหร่ก็จะถูกเขาดำเนินคดีต่อไปได้อมาคิดถึงอนาคตของเราคิดถึงอนาคตของใจเราเนี่ยคือใจเราไม่ได้เป็นร่างกายเราเป็นใจเราเป็นผู้ที่จะต้องรับผลบุญผลบาปต่อไปเห็นสําหรับ สิ่งที่ต้องหาก็หาพออยู่พอกินไปปัจจัยสี่อาหารเครื่องนุ่งหม่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคก็ให้มันมีพอเพียงอย่างในหลวงร .9 ท่านตัดสอนไว้ให้มีเศรษฐกิจพอเพียงให้มีเศรษฐกิจคือปัจจัยสี่พอเพียงพอให้อยู่ได้ก็พอไม่ให้อดอยากขาดแคลน มีอาหารกินทุกมื้อทุกวันมีเสื้อผ้าไว้ใสมีที่อยู่อาศัยไว้หลบแดดหลบฝนมี <c oughs> มียารักษาโรคเวลาไม่สบายก็พอแล้วของที่เราจะหาที่ต้องหาก็มีแค่นี้หามอย่างอื่นก็เสียเวลาเปล่า ความสุขที่ได้จากสิ่งที่หามันก็เป็นความสุขเดียวๆ เ, เวลาได้มาใหม่ๆก็ดีใจมีความสุขใจเดียวๆแล้วหลังจากนั้นมันก็หายไปต้องหาใหม่อยู่เรื่อยๆซื้อของอันนี้มาแล้วดีใจไปสองวันมีความสุขสองวันหลังจากนั้นความสุขกับของอันนั้นก็ไม่มีแล้วต้องซื้อของใหม่ มาเพิ่มอยู่เรื่อยๆ เ, เพิ่มมาเท่าไหร่ก็ได้ความสุขแบบวันสองวันนั้นความสุขแบบเดี๋ย ว, วบบเดียๆก็เลยต้องหากันอยู่เรื่อยๆสู้มาหาบุญไม่ได้หาบุญแล้วมันจะเป็นความสุขที่อยู่นานกว่าทําบุญท่ไหรจะรู้สึกมีความสุขใจอิ่มใจไปหลายไปนานแล้วจะทําให้ไม่หิวไม่อยาก ความสุขที่ได้จากการซื้อข้าวของสิ่งของต่างๆมันทําให้หิวทําให้อยากซื้อมากขึ้นไปเรื่อยๆเวลาอยากแล้วความสุขที่ได้จากของที่ซื้อมาก็หายไปทําให้ต้องไปหาซื้อใหม่ซื้อมาใหม่ได้ไม่กี่วันก็ความอยากใหม่ก็โผล่ขึ้นมาอีก ไม่เหมือนทำบุญทำบุญแล้วทําให้ความอยากซื้อขา้าวซื้อของหายไปความอยากต่างๆนี้ถ้าเราเอาเงินที่จะไปทําตามความอยากนี้มาทําบุญต่อไปความอยากนี้มันจะน้อยลงไปความอยากซื้อของความอยากไปเที่ยวไปอะไรทําอะไรด้วยเงินทองนี้มันจะน้อยลงไปเพราะ ความสุขความอิ่มใจที่ได้จากการทำบุญมันไปลบความอยากที่จะใช้เงินใช้ซื้อของอะไรต่างๆไปหมดนั่นเองรีบมาทำบุญกันบุญนี้แหละเป็นที่พึ่งของเราบุญนี้แหละเป็นที่ที่ให้ความสุขกับเราบุญเป็นเหมือนเงินทอง ที่เราต้องเอาไปใช้ในโลกทิพย์เนี่ยบุญนี้ก็มีหลายชนิดด้วยกันพระพุทธเจ้าทรงสอนให้ทำบุญอยู่สิบชนิดด้วยกันบุญนี้แบ่งเป็นสองส่วนบุญที่เป็นบุญหลักบุญที่ต้องทำเป็นประจำกับบุญเสริมถ้ามีโอกาสก็ทำไม่มีโอกาสก็ไม่ทำก็ได้ มืออาหารเนี่ยมีอาหารหลักกับอาหารเสริมอาหารหลักนี่เราต้องกินกันทุกวันเช่นข้าวกับข้าวเนี่ยถ้ามีข้าวมีกับข้าวนี้เราก็อยู่ได้แล้วส่วนอาหารเสริมพวกผลไม้ขนมนมเนยอะไรต่างๆเครื่องดื่มอะไรต่างๆขนมอะไรต่างๆมีก็กินไม่มีก็ไม่กินก็ไม่เดือดร้อนมีก็กินได้ก็ดีก็ ทาให้อิ่มมากขึ้นแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เดือดร้อนอะไรถ้ามีอาหารหลักถ้ามีข้าวมีกับข้าวกินนี่พอแล้วคนบางคนไม่มีเงินมากก็กินแค่ข้าวกับกับข้าวไปพอมีเงินท่องมากหน่อยก็ซื้ออาหารเสริมมากินเงินซื้อขนมซื้อผลไม้ซื้ออะไรต่างๆมากินได้หรือยา หรืออาหารเสริมชนิดต่างๆที่ก็ผลิตขายกันไม่มีก็ไม่ไม่เป็นปัญหาอะไรอยู่ได้บุญที่มาให้ความสุขมาให้ความอิ่มกับใจก็เป็นเหมือนอาหารมีแบ่งเป็นสองส่วนด้วยกันเป็นบุญเป็นบุญหลักกับบุญเสริมบุญหลักนี้ต้องทําทุกวันเหมือนกินอาหารต้องกินทุกวัน พยายามทาบุญหลักให้ได้ทุกวันแล้วก็จะได้อาหารมาหล่อเลี้ยงจิตใจแล้วก็จะได้บุญนี้ไปกับเราติดไปเลี้ยงเราต่อเวลาที่ไม่มีร่างกายแล้วบุญหลักข้อที่หนึ่งก็คือทานให้เราทำทานให้เราเสียสละแบ่งปันทานแปลว่าการให้ ให้ก็มีอยู่สามสี่วิธีด้วยกันให้ข้าวของเงินทองเรียกว่าวัตถุทานให้ให้ความรู้เรียกว่าวิทยาทานให้อภัยเรียกว่าอภัยทานให้ธรรมะเรียกว่าธรรมทานก็อยู่ว่าเรามีอะไรจะให้ถ้าเรามีข้าวของเงินทองเราก็ให้ข้าวของเงินทองไป ถ้าเราไม่มีข้าวของเงินทองแต่มีความรู้ก็ให้ความรู้เช่นเรารู้จักวิธีทํากับข้าวเราก็สอนคนอื่นให้เขาทํากับข้าวเป็นเรารู้จักวิธีเย็บผ้าตัดผ้าสอนให้คนอื่นรู้จักวิธีเย็บผ้าตัดผ้าโดยไม่คิดสตางค์อย่างนี้ก็เรียกว่าวิทยาฐานรู้จากวิธีเสริมสวยทําผมทําหน้าอะไร กสอนคนอื่นให้เขาจะได้มีอาชีพคนที่ไม่รู้มาเรียนจะได้ไปทำอาชีพได้ไปทำร้านเสริมสวยได้ไปเปิดร้านอาหารขายอาหารได้ไปเปิดร้านตัดผ้าเ ย, ย็บผ้าได้อันนี้ก็เรียกว่าวิทยาทานเป็นบุญเหมือนกันทําทำแล้วมีความสุขเหมือนกันเหมือนกับให้ข้าวของเงินทอง เหมือนกับใส่บาตรเหมือนกับถวายสังฆทานนอกจากนั้นก็มีอภัยทานอภัยทานก็คือให้อภัยเวลาเราโกรธใครเวลาใครเขาทาให้เราโกรธเราให้อภัยเขาล้วความโกรธจะหายไปความโกรธนี้มันเป็นเหมือนไฟเผาใจการให้อภัยเหมือนเหมือนน้าดับไฟเวลาเราให้อภัย ไฟคือความโกรธก็จะดับไปพอความโกรธดับไปใจเราก็เย็นสบายเมื่อเย็นเหมือนตอนนี้เราสังเกตดูเวลาโกรดนี่เป็นยังไง ร, ร้อนไหมใจร้อนเป็นฟืนเป็นไฟไหมกินไม่ได้นอนไม่หลับอาฆาตพยาบาทเครียดแค้นใครเดือดร้อนเราเนี่ยละเดือดร้อนไม่ใช่คนที่ทําให้เราโกรธเดือดร้อน คนที่ทำให้เราโกรธเขาสบายเขานอนหลับสบายเขาไม่รู้ว่าเราเครียดแค้นกับเขาแล้วถ้าเราไปทำร้ายเขาเขาก็จะกลับมาทำร้ายเรายิ่งทำให้ไฟยิ่งลุกมากยิ่งขึ้นไปเวรไม่ละ ง, งับด้วยการจองเวรยอมเวรยอมละ ง, งับด้วยการไม่จองเวรไม่จองเวรก็คือให้อภัย แล้วก็แล้วกันไปใครก็พูดอะไรทำอะไรมันก็ผ่านไปแล้วจานมันก็แตกแล้วถ้าทําให้จานมันแตกจะให้จานมันกลับไาเป็นเหมือนเดิมมไม่ได้อนะแตกแล้วก็แตกไปหาจานใหม่ก็ได้ <c oughs> อย่าไปมีเรื่องกับคนที่ทําให้เราโกรธแค้นโกรธเคืองมันจะเป็นการจองเวรจองกรรมกัน แล้วมันจะทำให้ชีวิตเราไม่มีความสงบไม่มีความสุขหัวตาคอยล่างแค้นกัน น, นี่คือให้อภัยอภัยทานการให้อภัยทำให้ใจสงบทำให้ใจเย็นสบายเนเหมือนกับทาบุญเหมือนกับใสาบาทใสาบาทเสร็จแล้วใจเย็นสบายมีความสุขให้อภัยก็เย็นสบายมีความสุข แล้วทานชนิดที่สี่ก็เรียกว่าธรรมทานให้ธรรมะให้ธรรมะก็ให้ได้แบบสองแบบถ้าเรามีธรรมะเรารู้ธรรมะก็สอนคนอื่นให้รู้จากธรรมะถ้าเราไม่รู้เราแต่เรารู้ว่ามีหนังสือธรรมะดีๆที่คนอื่นถ้าเอาไปอ่านแล้วจะหูตาสว่างจะได้รับประโยชน์ เราก็ช่วยพิมพ์หนังสือธรรมะแจกก็ได้หรือช่วยผลิตซีดีแจกก็ได้หรือช่วยผลิตพื้นสืส่อธรรมะต่างๆหรือมาช่วยถ่ายทอดสดที่ศาลาบนนี้ก็ได้เนี่ยคนที่มาทำหน้าที่จัดกล้องตั้งกล้องชาร์จแบตเตอรี่คอยทดสอบเสียงทดสอบรูปว่า ใช้ได้หรือไม่อันนี้ก็มาทําหน้าที่ธรรมาทานเอาเวลามาช่วยเผยแผ่ธรรมะก็เป็นการธรรมาทานเหมือนกันอันนี้ก็แล้วแต่ว่าแต่ละคนมีอะไรจะให้บางคนมาไม่ได้เพราะต้องไปทํางานทําการคนที่มีเวลาว่างมามาได้ก็มาช่วย อันนี้เรียกว่าเป็นธรรมทานมีสองแบบธรมโดยที่เรามีของเราเองเราก็สอนไปอย่างอาตมานี้ก็สอนธรรมะไปมีธรรมะอยู่ในใจธรรมะที่จําได้ก็เอามาสอนมาบอกผู้อื่นให้รู้ว่ามีอะไรบ้างการให้ธรรมะนี้เป็นการให้ของวิเศษที่สุด ธรรมะนี้เป็นเหมือนแก้วสารพัดนึกแก้วสารพัดนึกที่จะมาดับความทุกทุกชนิดที่มีอยู่ในใจของเราให้หมดสิ้นไปได้วัตถุทานทำไม่ได้วิทยาทานทำไม่ได้อภัยทานทำไม่ได้ธรรมทานนี้ทำได้ดับความทุกทุกชนิดได้วิทยา วัตถุทานก็ดับความทุกข์ทางร่างกายได้ให้ข้าวของเงินทองให้อาหารข้าวหวานก็ดับความหิวทางร่างกายให้อยู่ให้ยาก็รักษาความทุกข์ของร่างกายที่เกิดจากโรคภัยไข้เจ็บได้แต่เวลาทุกข์ใจนี่วัตถุทานดับไม่ได้วิทยาทานก็ดับไม่ได้วิทยาทานก็ให้ความรู้เพื่อจะได้มี มีความรู้ไปกรอบสัมมาชีพไปกรอบอาชีพที่สุดจริตเนี่ยจะได้มีรายได้มาจนเจอือมาเลี้ยงดูร่างกายอภัยทานก็ดับความทุกข์ที่เกิดจากความโกรธได้เท่านั้นแต่ความทุกข์ที่เกิดจากความโลภอภัยทานก็ดับไม่ได้ความทุกข์ที่เกิดจากความโงอภัยทานก็ดับไม่ได้มีธรรมทานนี้เท่านั้น ที่สามารถดับความทุกข์ได้ทุกชนิดความทุกข์ที่เกิดจากความโลภความโกรธความหลงธรรมทานดับได้หมดความทุกข์ที่เกิดจากาความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสก็ดับได้กามตัณหาความทุกข์ที่เกิดจากภาวะตัณหาอยากเป็นสอส อ, อยากเป็นนายกเนี่ยทุกข์กันเลือเกินถ้ามีธรรมะปั๊บนี่หยุดหาเลยดีกว่า อยู่เฉยๆดีกว่าเรื่องอะไรไปทุกข์กับการหาเสียงเรื่องอะไรจะต้องไปทุกข์กับการเสียเสียเงินเสียทองแล้วเดี๋ยวไม่ได้ก็ทุกข์เดี๋ยวพอผลออกมาไม่ได้ก็ทุกข์อีกเสียใจอีกอยู่อยู่เฉยๆดีกว่าไม่ขาดทนไม่ทุกข์แต่คนเราชอบทุกข์กันงั้นเลยไม่รู้จะว่ายังไง ก็ต้องปล่อยให้เขาทุกไปคนที่ไม่อยากจะทุกก็ต้องเข้าหาธรรมะถึงจะดับความทุกได้ถ้าคนที่อยากจะทุกก็เข้าหาธรรมะไม่ได้เพราะมันขัดกันถ้าเข้าหาธรรมะแล้วมันทำให้มันไม่ทุกแต่คนที่อยากจะทุกนี้เขาไม่อยากจะมีธรรมะเพราะเขาอยากจะทุกกันเพราะเขาอยากจะได้ตำแหน่งกันอยากจะได้เป็นนั่นเป็นนี่กัน นี่คือทานชนิดที่หนึ่งที่เราควรที่จะทำกันทุกวันทำได้ทุกวันเช่นใส่บาตรทุกวันถ้าเรามีพระผ่านมาทางบ้านถ้าไม่มีพระให้ขอทานทุกวันก็ได้เดินไปทำงานออกไปทำงานเจอขอทานก็ให้หรือถ้าอยากจะ ทำบุญกับพระแต่ไม่มีพระมาผ่านมาทางบ้านก็หาบาทที่เป็นกระปุกมากระปุกที่เป็นบาทก็ได้แล้วก็เอาเงินใส่บาทเข้าไปในกระปุกมันละเล็กวันละน้อยแล้วแต่เราจะศรัทธามีมากมีน้อยก็ว่าวันนี้ได้ใส่บาทแล้วเอาเงินใส่ในบาทกระปุกที่เป็นรูปบาทเคยเห็นไหมไปดูร้านที่ขายเครื่องสังกะณฑ์นี้ เขาจะมีขายกระปุกยอดเงินที่เป็นรูปบาทฝาบาทเนี่ยเราก็เอาเงินยอดเข้าไปวันละเล็กวันละน้อยเราก็ได้ทำบุญแล้วแล้วแต่มีมากก็ใส่มากมีน้อยก็ใส่น้อยมีน้อยก็ใส่เหรียญบาทเข้าไปมีบ้างอาจจะใส่พับเงินร้อยเงินพันใส่เข้าไปก็ได้อันนี้แล้วแต่ศรัทธาแล้วแต่กาลัง แต่คนรจะทําทุกวันเพราะมันจะทําให้ใจเรามีบุญหล่อเลี้ยงมีอาหารหล่อเลี้ยงจิตใจการทําบุญให้ทานจะทําให้ใจเราหิมไม่หิวโหวยไม่หิวโหวยกับสิ่งต่างๆอันนี้คนทําทุกวันข้อที่หนึ่งคือทานเรียกว่าอาหารหลักเหมือนกับอาหารที่เรากินทุกวันวันละามมือ ทำไมเรากินอาหารวันละสามมือได้ทำไมเราทำทานวันละครั้งไม่ได้มันน่าจะทำได้เพราะไม่มีการบังคับว่าจะต้องทำกี่บาทกี่สตางขอให้มีเหลือขอให้มีแบ่งเอามาทำได้ก็อเอามาทำกันดีกว่าเอาไปซื้อของที่ทำให้เราหิวอยู่เรื่อย พของที่เราซื้อนี้เหมือนยาเสพติดซื้อแล้วมันจะติดมันอยากจะซื้ออยู่เรื่อยเอาเงินไปซื้อกาแฟถ้วยหนึ่งเดี๋ยวหมดมันก็อยากจะกินอีกถ้วยหนึ่งเอาเงินไปซื้อบุหรี่สูบเดี๋ยวมันหมดก็อยากจะซื้อบุหรี่มาสูบอกีกแต่ถ้าเอาเงินที่ไปซื้อบุหรี่ซื้อกาแฟไปทําบุญความอยากสูบบุหรี่มันก็หมดไปความอยากดื่มกาแฟมันก็หายไป พ่าเราไม่ไปทำตามความอยากอันนี้คือเรื่องของทานข้อที่หนึ่งอาหารหลักข้อที่หนึ่งบุญหลักข้อที่หนึ่งคือการทำทานบุญหลักข้อที่สองก็คือการรักษาศีลรักษาศีลคือการไม่ทำบาปนั่นเองไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณี ไม่พูดปดไม่ดื่มสุรายามเมาเพราะการทำบาปมันจะทำให้ใจเราทุกข์ใจเราวุ่นวายใจเราร้อนไม่สบายใจถ้าไม่ทำบาปแล้วความร้อนความวุ่นวายใจที่เกิดจากการทำบาปก็จะหายไปใจก็จะสบายไม่วิตกไม่หวาดกลัวกับ วีบากกรรมที่จะตามมาเพราะไม่ได้สร้างกรรมนั้นเองไม่ได้สร้างบาปผลของบาปก็จะไม่เกิดขึ้นศีลก็มีหลายระดับที่พูดนี้เป็นศีล ร, ระดับต่ำที่สุดก็คือศีลห้าศีลห้านี้เป็นศีลเป็นเป็นบุญที่มีคุณค่ามากคุณมีคุณค่าอย่างไรเพราะเป็นการป้องกันไม่ให้เรา ไปเกิดในอบายนั่นเองถ้าเรารักษาศีหน้าได้นี่ตายไปไม่ไปอบายอบายคืออะไรคือเดรัจฉานเนี่ยผู้ที่ไปเป็นเกิดเป็นเดรัจฉานนี่เป็นพวกที่ทําบาป ก, กันหรือไปเป็นดวงวิญญาณที่หิวโหยเรียกว่าเปรตหรือไปเป็นดวงวิญญาณที่มีแต่ความหวาดกลัวเรียกว่าสุนทกาย หรือเป็นดวงวิญญาณที่มีแต่ความเครียดแค้นอาฆาตพยาบาทเรียกว่านารกถ้าไม่ทำบาปจิตใจที่ตายไปจะไม่ไปเป็นดวงวิญญาณเหล่านี้ถ้าไปได้ร่างกายก็จะไม่ต้องได้ร่างกายของสัตว์เดรัจฉานถ้าไม่ได้ทำบาปนี่คืออ น, นิสงส์ที่ได้เวลาที่ร่างกายตายไปถ้าไม่ได้ทำบุญ ก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เลยถ้ารักษาศีลห้าได้ถ้าได้ทำบุญด้วยก็จะไปเป็นเทวดาก่อนนะเป็นเทวดาแล้วพอบุญที่ได้ส่งไปที่เป็นเทวดาหมดก็ลงมาเป็นมนุษย์แต่เราไม่ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดนอบายกันถ้าเรารักษาศีลห้าได้หรือถ้าเราทำบุญมากกว่าทำบาป ถ้าเรายัางรักษาสีหามไม่ได้ครบทุกวันทุกเวลามีการพังเผลอมีการผิดพลาดเราก็เอาบุญมาช่วยได้พยายามทำบุญไว้มากๆแล้วบุญที่มากกว่าบาปมันก็จะดึงใจไปรับผลบุญก่อนผลบาปก็รอไว้ก่อนรอลงอายาไว้ก่อนรอจนกว่าบาปมีกำลังมากกว่าบุญเมื่อไหร่บาปจึงจะดึง ใจให้ไปเกิดในอบายได้นี่คือเรื่องของบาปวิธีที่ไม่ทำบาปส่วนหนึ่งก็คือต้องไม่ไม่เสพอบายามุขเพราะอบายามุขนี้เป็นตัวที่จะดึงใจให้ไปทำบาปกันนั่นเองอบายามุขไม่มีรายได้มีแต่รายจ่ายถ้ามีแต่จ่ายอย่างเดียวไม่มีรายได้ เดี๋ยวเงินไม่พอใช้ก็ต้องไปทําบาปต้องไปขมโมยต้องไปโกหกหลอกลวงไปป้นไปจี้แล้วก็อาจจะมีการต่อสู้กันแล้ว ก, ก็จะมีการฆ่ากันได้ถ้าไม่ไปเสพอบายามุขเนี่ยก็จะไม่มีอะไรมาบีบคั้นให้ไปทําบาปเพราะจะมีเงินทองเหลือใช้ เวลาไปเสพะบายามุขนี่มันจะไม่มีเวลาไปทํางานกันอบายามุข ค, คืออะไรดื่มสุราเล่นการพนันเที่ยวเตะความเกียดค้านครับคนที่ชอบอบายามุขเป็นมิตรเนี่ยถ้าเราครบกับคนที่ชอบกินเหล้าเขาก็จะชวนเราไปกินเหล้าชอบคนที่ชอบดื่มชอบเล่นการพนันก็จะชวนเราไปเล่นการพนัน ชอบเที่ยวก็จะชวนเราเที่ยวชอบความเกลียดคร้าก็จะชวนให้เราเกลียดคร้านอยงนั้นอย่าไปคบคนแบบนี้อย่าไปเสพอบายามุขแล้วราเราจะมีแต่รายได้ไม่มีรายจ่ายรายจ่ายจะน้อยรายจ่ายก็จ่ายกับเรื่องที่จําเป็นเท่านั้นคือปัจจัยสี่รายได้ที่มาก็จะมีมากกว่ารายจ่ายก็ไม่มีความ จำเป็นที่จะต้องไปทําบาปเนี่ยนี่ส่วนหนึ่งของการทําบาปเกิดจากการไปเสกอบายามุกอบายามุกแปลว่าประตูเข้าอบายอหรือปากเขียวคนที่จะตกเขีวนี้ต้องไปอยู่กล้ที่ปากเหวเอวพอเผลอหน่อยพลาดหน่อยก็ตกเหวไปเลยคนที่อยู่ไกลจากปากเขีวนี้ไม่มีวันที่จะตกเหวได้ะ ฉัในใดคนที่ไม่เสบบาบายามุกไม่ไปยืนอยู่ประตูเข้าอบายไม่ไปอยู่ปากเหวของอบายโอกาสที่จะตกไปในเหวของอบายนี้มันไม่มีฉะนั้นต้องพยายามหลีกเลี่ยงอบายามุกกันจำไว้ดีห้าตัวนี้ตัวร้ายกาศเดิมสุราเล่นการพนันเที่ยวเต่ไม่ทำงานทำการ เกียดข้านเออคบคนชอบอบายามุกเป็นมิตรเนี่คือสิ่งที่เราต้องหลีกเลี่ยงให้ได้แล้วจะทําใหเา้เราไปทํำบาปยากยังมีเหตุทําให้เราทํำบาปได้แต่มันยากขึ้นเออเหตุที่ทาให้เราทํำบาปนี้ก็หนึ่งก็คือความโกรธนี่เอแต่ถ้าเราให้อภยัยมีอภัยทาน เราก็ป้องกันความโกรธได้เวลาโกรธเราก็ให้อภัยพอเราหายโกรธเราก็ไม่ต้องไปทำบาปนะอันนี้เป็นเรื่องของความโลภก็จะน้อยลงความโลภเพราะว่าเอาเงินไปทำบุญเรื่อยๆความโลภความอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ก็จะน้อยลงไปเมื่อไม่มีความอยากที่จะใช้เงินทองมาก ก็ไม่ต้องไปหาเงินแบบแบบช่อโกงกันไม่ต้องโกงหกหลอกลวงนี่คือเรื่องของศีลที่เราควรที่จะรักษาไว้ให้ดีการรักษาศีลนี้เท่ากับการรักษาความเป็นมนุษย์ของเราการจะเป็นมนุษย์ได้นี่ต้องไม่ทำบาปต้องมีศีลถึงจะเป็นมนุษย์ ตายไปก็จะได้กลับมาเป็นมนุษย์ถ้าไม่ได้ทําบุญถ้าได้ทําบุญก็ได้ไปเที่ยวในสวรรค์ก่อนแล้วพอเที่ยวเสร็จแล้วค่อยกลับมาเป็นมนุษย์ต่อแต่ไม่ไปเป็นเดรัจฉานไม่ไปเป็นเปรตไม่เป็นอสุรกายไม่ตกนรกอย่างแน่นอนอ่านี่คือเรื่องของบุญข้อที่สองเรียกว่าศีล การรักษาศีลไม่ทำบาปก็เป็นบุญอย่างหนึ่งบุญคือความสุขใจอิ่มใจสบายใจนั่นเองแล้วถ้าเราอยากที่จะรักษาศีลเพิ่มให้มากขึ้นเพราะเราเห็นว่ามันทำให้เรามีความสุขมากขึ้นเราก็ลองหัดมารักษาศีลแปดดูเพราะว่าถ้าเรารักษาศีลแปดได้ มันก็จะทําให้เราทําบุญชนิดที่สามได้บุญชนิดที่สามก็คือภาวนาการภาวนาแปลว่าการพัฒนาจิตใจหรือการชําระซักพอกจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ใจที่สะอาดนี้นําความสุขมาให้ใจที่ไม่บริสุทธิ์นี้นําความทุกข์มาให้การทําทานการรักษาศีลนี้ยังไม่สามารถ กำจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจของพวกเราให้หมดไปได้ถ้าอยากจะให้ความทุกข์ต่างๆหมดไปจากใจของพวกเราเราต้องใช้การภาวนาต้องชำระสิ่งที่สร้างความทุกข์ให้กับใจให้มันหมดไปจากใจเหมือนกับการกินยาเพื่อรักษาโรคภัยไข้เจ็บของร่างกายร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยเพราะมีเชื้อโรค ถ้ากินยาเข้าไปยาก็จะทำลายเชื้อโรคที่มีอยู่ในร่างกายให้หมดไปพอเชื้อโรคถูกทำลายด้วยยาหมดไปโครคภัยไข้เจ็บก็หายนะความทุกข์ใจของพวกเราก็เหมือนกันถ้าอยากจะให้มันหายอย่างหมดสิน้นเราต้องมาหัดภาวนากัน ภาวนานี่ต้องอาศัยการมีศีลแปดเพราะถ้าไม่มีศีลแปดนี่จะมีเวลาน้อยถ้ารักษาศีลห้านี่ยังไปทําอะไรต่างๆได้แต่ถ้ามารักษาศีลแปดแล้วไปทําอะไรไม่ได้เลยจะไปร่วมหลับนอนกับแฟนก็ไม่ได้จะไปกินอาหารเย็นก็ไม่ได้ไปกินเลี้ยงไปงานเลี้ยงต่างๆก็ไปไม่ได้ จะไปเที่ยวดูหนังฟังเพลงดูละครดูอะไรก็ทำไม่ได้จะนอนมากๆนอนกับนอนนานๆก็นอนไม่ได้ให้นอนพอต่อความต้องการของร่างกายก็พอวิธีที่จะนอนไม่นานก็อย่าไปนอนบนฟูกหนาะๆนะอย่าไปนอนบนเตียงใหญ่ๆที่มันแสนจะสบาย เพราะว่าถ้ามันสบายเวลาร่างกายได้พักแล้วตื่นขึ้นมาใจจะไม่ยอมลุกใจจะขอนอนต่ อ, อก็จะเสียเวลาไม่ได้จะหมดเวลาไปกับการหลับนอนอหมดเวลากับการไปเที่ยวหมดเวลากับการไปแต่งเนื้อแต่งตัวหมดเวลากับการไปร่วมหลับนอนกับแฟนหมดเวลากับการไปกินน้องกินเนื้อกินอาหารค่า ถ้าอยากจะภาวนาอยากจะทำบุญข้อที่สามนี้จำเป็นที่จะต้องรักษาศีลแปดให้ได้หรือศีลที่มากกว่านั้นถ้ารักษาศีลสิบได้ก็ยิ่งดีรักษาศีลสองร้อยยี่บเจ็ดได้ก็ยิ่งดีเพราะจะทำให้จะมีเวลามากขึ้นมีเรื่องราววุ่นวายใจน้อยลงทำให้การภาวนานี้ง่ายขึ้น การภาวนาก็คือการทำใจให้หายจากความวุ่นวายนั่นเองถ้าใจวุ่นวายมากก็ต้องใช้ใช้งานมากถ้าใจวุ่นวายน้อยกรใช้งานภาวนาน้อยเหมือนซักเสื้อผ้าถ้าเสื้อผ้าสกรปรกมากก็ต้องใช้ผงซักฟอกมากถ้าเสื้อผ้าสกรปรกน้อยก็ใช้ผงซักฟอกน้อย ถ้าใจมีความวุ่นวายมากก็ต้องใช้การภาวนามากถ้าใจมีเรื่องวุ่นวายน้อยก็จะภาวนานไม่ต้องภาวนามากก็ทำใจให้สงบทำใจให้หมดทุกข์ได้ง่ายกว่าดังนั้นถ้าเราอยากจะกำจัดความทุกข์ให้หมดสิ้นไปจากใจเราต้องมาหัดถือศีลแปดกันมาหัดภาวนากัน ตอนต้นเราก็ทำตามกำลังของเราไปก่อนแต่ในที่สุดถ้าอยากจะกำจัดความทุกข์ทั้งหลายให้หมดไปนี้ต้องทำทั้งวันทั้งคืนทำตั้งแต่ตื่นจนหลับถึงจะสามารถชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ได้แต่ตอนเริ่มต้นนี้เราก็ทำตามที่กำลังของเราจะทำได้วันไหนรักษาศีลแปดได้เราก็รักษาศีลแปดไป เวลาที่จะภาวนาวันนั้นก็จะมีมากกว่าวันที่เรารักษาสีหน้าถ้าวันไหนเรารักษาศีหน้าเราก็จะมีเวลาน้อยมีเวลาภาวนาน้อยมีเวลาชำละใจได้น้อยแต่ก็ยังดีกว่าไม่ทาเลยเราควรทำทุกวันเหมือนทาบุญทาทานเหมือนรักษาศีลนภาวนาก็ควรจะทำทุกวัน เพียงแต่ว่าจะทําได้มากหรือน้อยเท่านั้นเองถ้าเราทําไปแล้วและพอเราเริ่มได้สัมผัสกับผลที่เกิดจากการภาวนาเราจะเริ่มมีกําลังใจเริ่มมีความอยากที่จะภาวนามากขึ้นไปเองเพราะผลที่ได้จากการภาวนานี้เป็นผลที่ดีกว่าสิ่งต่างๆที่เราได้มาในโลกนี้ ความสุขต่างๆที่เราได้จากสิ่งต่างๆในโลกนี้สู้ความสุขที่ได้จากการภาวนาไม่ได้พอภาวนาไปจิตสงบปั๊บนี่มันรู้สึกเบา อ, อกเบาใจเหมือนขึ้นสวรรค์ทั้งเป็นเวลากลับมาจากภาวนานี่เหมือนตกนรกทั้งเป็นเวลาออกจากภาวนามาปั๊บเรื่องวุ่นวายอะไรต่างๆก็เคิ้มเข้ามาทันที เวลาภาวนาจิตสงบนี่เรื่องวุ่นวายต่างๆหายไปหมดไม่มีอะไรมาลบกวนใจเลยทำไปเถิดมีกำลังมากน้อยเท่าไหร่ทำไปตามกำลังของเราเหมือนเด็กเด็กมันต้องกระตะเกียกตะกายถ้ามันยังคลานอยู่มันก็จะหัดจะหัดยืนพอมันยืนได้มันก็จะหัดเดิน พอมันเดินได้มันก็จะหัดวิ่งไปตามกำลังของมันมการภาวนาก็เป็นเหมือนกันตอนต้นก็เป็นเหมือนทารกต้องคลานไปก่อนต่อมาก็หัดลุกยืนยืนขึ้นมาปั๊บเดี๋ยวก็ล้มลงไปใหม่เพราะกำลังกำลังของแข้งขายังไม่มีกำลัง พ, พอแต่พยายามหัดยืนไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็มีกำลังมากขึ้นเอง แล้วก็จะยืนได้นานขึ้นต่อไปก็ยืนได้ตลอดต่อไปก็เริ่มเดินได้ต่อไปก็เริ่มวิ่งได้การภาวนาก็เหมือนกันตอนต้นอาจจะเริ่มห้านาทีก่อนนั่งสมาธิห้านาทีหรือนั่งสวดมนต์ไหว้พระไปครึ่งชั่วโมงแล้วก็นั่งสมาธิต่อสักสิบห้านาทีต่อไปก็อาจจะเพิ่มเป็นยี่สิบนาทีสามสิบนาที ต่อไปถ้าได้ผลดีก็จะมีกำลังใจมีกำลังที่จะนั่งได้นานขึ้นถ้ามีสติที่จะทําให้ใจนั่งได้ถ้าฝึกสติเพิ่มมากขึ้นต่อไปก็นั่งได้บ่อยขึ้นนั่งได้นานขึ้นแล้วเดี๋ยวก็จะเพิ่มจากการนั่งวันละครั้งเป็นสองครั้งเป็นสามครั้งไปวันไหนถ้าเป็นวันพระก็ไปทาทั้งวันเลยวันไหนที่ถือศีลแปดก็ทาได้ทั้งวันเลย ตั้งแต่หลังเที่ยงวันไปแล้วนี่ก็นั่งสมาธิภาวานาได้สลับกับการเจริญสติเดินจงกรมได้หรือฟังเทศฟังธรรมสลับกันไป อ, อนี่คือบุญข้อที่สามที่เราควรจะทํากันเป็นประจำคือการภาวานาทํามากทําน้อยขอให้ทำประจําเหมือนกินอาหารตอนเป็นเด็กก็กินอาหารได้น้อย พอโตขึ้นก็กินได้มากขึ้นไปเองตามลำดับถ้าเด็กไม่กินอาหารเลยเด็กมันก็จะไม่โตมันก็จะตัวเท่าเดิมมันก็จะกินมากกว่าที่มันกินอยู่ไม่ได้แต่ที่มันกินได้มากขึ้นมากขึ้นก็เพราะว่ามันกินอยู่เรื่อยๆพอมันกินมากขึ้นร่างกายก็โตขึ้นมากขึ้นมันก็กินเพิ่มมากขึ้นไปได้เองการภาวนาก็เป็นเหมือนการให้อาหารกับจิตใจนี่เอง ทำให้จิตใจค่อ ย, อ ย, อยเอๆ เ, รเร coat, จริญตบโตขึ้นมาทีละเล็กทีละน้อยพอจิตใจเจริญตบโตขึ้นมาทีละเล็กทีละน้อยการภาวนาก็สามารถภาวนามากได้เพิ่มขึ้นไปทีละเล็กทีละน้อยเองแต่ต้องมีต้องทำนะถ้าไม่ภาวนาเลยมันก็จะอยู่ที่เดิมเหมือนเด็กถ้าไม่กินอาหารเลยมันก็จะไม่โตมันก็จะตัวเท่าเดิม ถ้าอยากจะให้เจริญเ ต, บตบิบโตนี้ต้องมีการภาวนาต้องเริ่มภาวนาตั้งแต่วันนี้เลยกลับไปบ้านลองวา ง, งไ่มใพระสวดมนต์ดูสวดมนต์สนเสร็จลองนั่งบริกรรมพุทโธพุทโธดูดูลมหรือดูลมหายใจเข้าออกดอูไม่ต้องทาอะไรนั่งเฉยๆหลับตาแล้วก็ดูลมหายใจเข้าออกลมหายใจเข้าก็รู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกก็รู้ว่าหายใจออก อย่าปล่อยให้ใจไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้หรือถ้าไม่ดูลมดูไม่ดูลมไม่เห็นลมมันละเอียดมองไม่เห็นลมก็ใช้คำบริกรรมพุทโธไปพุทโธพุทโธไปภายในใจอย่าหยุดพุทโธจนกว่าใจจะสงบอันนี้เป็นวิธีภาวนา ขั้นที่หนึ่งภาวนาเพื่อให้ใจสงบอืขั้นที่สองสอนใจให้ฉลาดด้วยปัญญาอืแต่ก่อนจะไปขั้นที่สองได้ต้องผ่านขั้นที่หนึ่งให้ได้ก่อนต้องฝึกสมาธิต้องทําใจให้สงบให้ได้ก่อนการจะทําใจให้สงบได้ก็ต้องมีสติะถ้าไม่มีสติมาคอยกํากับใจคอยควบคุมความคิดใจจะไม่สงบ ดังนั้นก่อนที่จะมานั่งสมาธิต้องมาฝึกสติก่อนต้องมาสร้างสติก่อนสตินี่เราสร้างได้ตลอดเวลาตั้งแต่เราตื่นจนหลับนี่เราสามารถสร้างสติได้วิธีสร้างสติก็คือใช้การท่องบริกรรมพุทโธไปภายในใจพอลืมตาขึ้นมาปั๊บพอจิตจะไปคิดเรื่องที่ไม่จำเป็นจะต้องคิดก็ใช้คำบริกรรมพุทโธพุทโธหยุดมัน แล้วไปทำงานทําการที่ไม่ต้องใช้ความคิดก็พุโทโธไปเรื่อยๆถ้ามันจะไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เช่นาอาบน้าล้างหน้าแปรงฟันแต่งเนื้อแต่งตัวหวีผ้าวหวีผมรับประทานอาหารการทำงานเหล่านี้ไม่ต้องใช้ความคิดมากอย่าปล่อยให้มันไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้ยิ่งคิดมันยิ่งวุ่นวายหยุดมันดีกว่า ยุดด้วยพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธไปถ้าเรามีพุโทโธพุธโทโธความคิดต่างๆต่อไปมันก็จะไม่เกิดขึ้นมาแล้วเราก็จะทําให้มีกําลังพอเราพอเวลาจะนั่งสมาธิมันก็นั่งได้ถ้ามีสติเพราะมันพุโทโธได้ถ้านั่งแล้วพุโทโธไม่ออกนี่มันนั่งไม่ได้พุโทโธได้สองคำหายไปละ นั่งน้ก็เริ่มรู้สึกอึดอัดแน่นหน้าอกปวดศีรษะขึ้นมาอย่างนี้ก็ยังนั่งไม่ได้ถ้าเป็นแบบนี้ก็ถ้าพุโทโธไม่ออกก็ลองสวดมนต์ไปก่อนสวดมนต์ไปภายในใจไม่ต้องออกเสียงไม่ต้องพนมมือนั่งในท่าสมาธิแล้วก็สวดมนต์ไปหลับตาสวดไปสวดบทที่เราจำได้ไม่ต้องเปิดหนังสือ อาจท่องสวดมนต์กันบ้างออทีปีโซเนี่ยไม่ยาวสวดบทสั้นๆแต่สวดหลายๆจบสวดเอทีปีโซไปหลายๆจบพอจบบทพอจบรอบที่หนึ่งก็สวดรอบที่สองต่อสวดไปจนรู้สึกว่าใจมันหยุดคิดมันไม่อยากจะคิดแล้วไม่อยากจะสวดแล้วเราก็หยุดสวดแล้วก็ลองมาพุทโธต่อ หรือเรามาดูลมหายใจต่อก็ได้ถ้าเราไม่อยากจะท่องพุโทโธเราก็ดูลมหายใจต่อถ้ามีสติแล้วมันจะดูลมได้มันจะเห็นลมชัดขึ้นชัดขึ้นดูลมก็ให้ดูเฉยเฉยไม่ต้องไปควบคุมบังคับลมไม่ต้องบังคับให้มันหายใจลึกๆยาวๆมันจะลึกหรือไม่ลึกก็ให้รู้ตามความเป็นจริงมันจะยาวหรือไม่ยาวก็ให้รู้ตามความเป็นจริง มันจะหยาบหรือจะละเอียดก็ให้รู้ตามความเป็นจริงอย่าไปบังคับลมให้ดูเฉยเฉยให้รู้เฉยเฉยเพราะว่าถ้าเราไปบังคับลมมันจะทำให้ใจไม่นิ่งใจมันจะทำงานเราต้องการให้ใจหยุดทำงานใจจะหยุดทำงานก็ต่อเมื่อใจดูใจรู้เฉยเฉยไม่คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ ถ, ถ้าทาอย่างนี้ได้เดี๋ยว ความคิดต่างๆก็จะหยุดแล้วความสุขความสงบก็จะโผล่ขึ้นมาเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงเรียกว่าเรียกว่านัตติสันติปรังสุขขังความสุขที่เหนือกว่าความสงบไม่มีความสุขที่ได้จากความสงบนี้เป็นความสุขที่สูงสุดที่ดีที่สุด ที่จะเป็นของเราอยู่กับเราไปตลอดความสุขอย่างอื่นเป็นของชั่วคราวพอร่างกายตายไปแล้วก็เอาไปไม่ได้แต่ความสุขที่เกิดจากความสงบนี้เอาเอาไปได้เอาติดตัวไปได้นี่คือขั้นที่หนึ่งคือการสร้างความสงบห้างความสุขด้วยสติเรียกว่าสมาธิพอได้ความสุขแบบสมาธิแล้ว ก็มาใช้ปัญญาเพื่อป้องกันรักษาความสุขที่ได้จากสมาธินี้ไม่ให้มันหายไปถ้าไม่มีปัญญามันยังหายได้ต้องมาเจริญปัญญาขั้นที่สองปัญญาก็มีไว้สําหรับคอยทําลายตัวที่จะมาทําลายความสงบนั่นเองตัวที่จะมาทําลายความสงบของใจก็คือกิเลสตัณหาความโลภความอยากต่างๆ พอมันเกิดความโลภความอยากขึ้นมาก็ใช้ปัญญาสอนใจว่าอย่าไปโลภอย่าไปอยากเพราะสิ่งที่เราอยากได้มันเป็นทุกข์ได้อะไรมาแล้วเดี๋ยวจะต้องทุกข์กับมันเพราะเดี๋ยวจะต้องมีการสูญเสียไปมีการพัดพากจากกันไปนั่นเองไม่ว่าจะได้อะไรมาไม่ช้า ก, ก็เร็วก็ต้องมีการจากกันไม่จากกันตอนเป็นก็ต้องจากกันตอนตาย มันจะต้องเจอความทุกข์อย่างแน่นอนถ้าเห็นว่ากามอยากนำไปสู่ความทุกข์ก็ไม่อยากดีกว่าพอไม่อยากปั๊บความสงบก็จะไม่ถูกทำลายความสุขที่ได้จากความสงบก็จะอยู่คู่กับใจไปตลอดนี่คือการภาวนาเป็นบุญอันสูงสุดบุญที่จะทำให้เราได้ได้ความสุขอันสูงสุด ดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจของเราให้หมดไปแต่การที่เราจะภาวนาได้อย่างถูกต้องนี้เราก็ต้องอาศัยบุญข้อที่สี่บุญที่เราต้องมีไว้ประจําเหมือนอาหารหลักคือบุญหลักนี้ข้อที่สี่ก็คือการฟังเทศฟังธรรมนี่ควรจะฟังธรรมอยู่เรื่อยๆบ่อยๆสมัยนี้ฟังเทศฟังธรรมได้ทุกวันทุกเวลา ไม่ฟังธรรมก็อ่านหนังสือได้บางทีก็มีทีวีถ่ายทอดหรือบันทึกเทศนาของพระต่างๆก็ดูไปฟังไปเพราะจะได้ความรู้วิธีภาวนาอย่างถูกต้องว่าภาวนาอย่างไรนั่นเองถ้าไม่ศึกษาก่อนเดี๋ยวภาวนาจะภาวนาไม่ถูกพอภาวนาไม่ถูกก็ผลที่จะดีก็กลายเป็นผลเสียได้ อย่างที่มีข่าวอยู่เรื่อยๆว่าคนภาวนาแล้วเป็นบ้ากันเลยคนไปนั่งสมาธิแล้วเป็นบ้ากันก็เพราะว่าไม่ไปศึกษาวิธีนั่งที่ถูกต้องพอไปนั่งแล้วก็คิดไปเองคิดว่าเป็นนู่นเป็นนี่ไปก็เลยบ้าไปกับความคิดของตนเท่านั้นแหละมันไม่ได้บ้าไปกับอะไรหรอกบ้ากับความคิดของตนหลงตนเองหลนว่าเป็นพระพุทธเจ้าแล้วหลนว่าเป็นพรหมแล้วหลงว่าเป็นเทวดาแล้วอ่า อันนี้ต้องฟังเทศฟังธรรมอยู่บ่อยๆแล้วจะไม่หลงทางอันนี้คือบุญประจำบุญหลักที่เราควรจะทำกันทุกวันทำทานมากบางน้อยบางทำมันทุกวันรักษาศีลห้าทุกวันหรือรักษาศีลแปดบางวันถ้าไม่ศีลห้าก็ศีลแปดถ้าศีลแปดได้บ่อยขึ้นก็ดีขึ้นไปเรื่อยๆ ต่อไปก็รักษาศีลแปลดได้ทุกวันแล้วก็ภาวนาทุกวันมีเวลาว่างเมื่อไหร่ก็ภาวนาฝึกสติทั้งวันอย่าปล่อยให้ใจไม่มีสติคอยควบคุมใจอย่าปล่อยให้คิดเื่อยเปือ่อยอย่าปล่อยให้คิดเพ้อเจอ้ออย่าปล่อยให้คิดเพ้อฝันใช้พุทโธพุทโธหยุดมันมีประโยชน์กว่าแล้วก็ฟังเทศน์ฟังธรรมอยู่เป็นประจำ อันนี้เป็นบุญหลักที่เราต้องทํากันมีอยู่สี่ข้อบุญที่เสริมนี้ก็ทําตามโอกาสบุญเสริมมีอะไรบ้างอุทิศบุญเนี่ยวันนี้เรามาทําบุญกันเราก็อุทิศบุญได้ส่งบุญไปให้คนตายได้เรียกว่าอุทิศบุญอนุโมทนาบุญเวลาใครเขาทาบุญก็อนุโมทนาไปกับเขาแสดงความยินดีสนับสนุนเขาอย่าไปขัดขวางคนทําบุญ เพราะการทำบุญไม่เสียหายไม่สร้างความเสียหายให้กับใครการทำบุญนี่มีแต่คุณมีประโยชน์เวลาเห็นใครทำบุญแล้วเขาไม่แน่ใจก็สนับสนุนเขาเลยสาธุไปเลยทำไปเลยมีมากน้อยเท่าไหร่ทุ่มไปเลยมีกี่ตางอยากจะทำก็ทำไปเลยถ้าไม่มั่นใจก็บอกเขาทำไปเถิด บุญนี้ไม่ศูนย์เปล่าทำแล้วมันอยู่กับใจของเราไปเงินทองเนี่ยศูนย์เปล่าเวลาตายไปเอาไปไม่ได้แต่เอาเงินทองไปทำบุญแล้วจะได้ของที่ไม่ศูญย์เปล่าไปกับเรานี่คืออนุโมทนาบุญเวลาใครเขาทำบุญไปร่วมบุญกับเขาได้ไปสนับสนุนเขาก็ไปทำเพื่อนบ้านจัดงานบุญเราก็ไปช่วยกันอะไรอย่างนี้ก็เรียกว่าอนุโมทนาบุญ แล้วก็ข้อต่อมาก็ให้ช่วยเหลือกันรับใช้สังคมเีลามีใครเดือดร้อนต้องการความช่วยเหลือก็ให้ช่วยเหลือกันไปอันนี้เรียกว่า บ, บุญที่เกิดจากการรับใช้ผู้อื่นช่วยเหลือผู้อื่นบุญข้อต่อมาที่เราทํากำควาธรทมก็คือให้มีความอ่อนน้อมถ่อมตนอย่าถือเนื้อถือตัวอย่าอวดเก่งอวดแบ่งอวดใหญ่อวดโตทำตัวให้เป็นผู้น้อย แล้วจะสบายเข้ากับคนได้ทุกคนจะไม่มีใครรังเกียจจะไม่มีความทุกข์ใจเวลาใครเขาดูถูกดูแคลนเราเพราะเราถือว่าเราเป็นผู้น้อยผู้ต่ําต้อยอยู่แล้วใครจะมาดูถูกว่าเราต่ําเราต้อยเราก็ไม่เสียใจนี้ก็คือบุญที่เกิดจากการมีความอ่อนน้อมถ่อมตนแล้วบุญข้อสุดท้ายเงิบุญเสริมก็คือ ยังมีสองข้ออีกข้อหนึ่งก็คือการมีความเห็นที่ถูกต้องการเห็นถูกต้องเป็นยังไงก็เห็นว่าบุญมีจริงบาปมีจริงตายไปแล้วใจไม่ตายไปกับร่างกายตายไปแล้วใจต้องใจก็จะมีบุญมีบาปติดตัวไปถ้ามีบุญติดตัวไปก็เหมือนมีเงินติดตัวไปถ้ามีบาปติดตัวไปก็เหมือนมีหนี้ติดตัวไป ให้มีความเห็นที่ถูกต้องจะมีความเห็นที่ถูกต้องได้ถ้าไม่มีในตัวเองก็ต้องอาศัยการฟังเทศฟังธรรมนี่ศึกษาธรรมไปแล้วก็จะเกิดความเห็นที่ถูกต้องตามมาแล้วบุญข้อสุดท้ายก็คือการาทำบุญด้วยการแจกธรรมะให้แก่ผู้อื่นให้ธรรมะแก่ผู้อื่นถ้าเรามีธรรมะมีหนังสือดีๆที่เราไม่ต้องเก็บเอาไว้เราจะ แจกให้คนอื่นไปก็ได้หนังสือธรรมะต่างๆหรือถ้าเราเห็นว่าหนังสือธรรมะนี้ดีมีประโยชน์ถ้าเรามีกำลังทรัพย์ก็พิมพ์เอาไปแจกเผยแผ่ต่อก็ได้อันนี้เรียกว่าบุญที่เกิดจากการให้ทานธรรมทานนี้เองนี่นี่คือบุญต่างๆบุญเสริมกับบุญหลักบุญหลักนี่ต้องทำเป็นประจำทานศีลภาวนาฟังเทศฟังธรรม ส่วนอุทิศบุญอนุโมทนาบุญช่วยเหลือผู้อื่นมีความอ่อนน้ํถาถ่อมตนมีความเห็นที่ถูกต้องให้ธรรมะแก่ผู้อื่นนี้ก็ให้ไปตามโอกาสตามกำลังถ้าไม่มีโอกาสไม่มีกำลังก็ไม่ต้องทาก็ไดไไ้ไม่ขาดทุนไม่เสียหายถ้าทาก็ได้กำไรเพิ่มเท่านั้นเอง นี่คือเรื่องของบุญสำหรับพวกที่มีเวลาอย่างพวกเรานี้ไม่ต้องไปทำงานทาการเอาเวลามาทำบุญดีกว่าดีกว่าเอาเวลาไปทำบาปหรือไปทำเรื่องที่ไร้สาระไปหาเงินหาทองหาข้าวหาของหาสมบัติอะไรต่างๆที่ตายไปก็เอาติดตัวไปไม่ได้เอาของที่เราเอาติดตัวไปได้ดีกว่าคือเอาบุญนี่มาทาบุญสิบประการ ตามเะละตามโอกาสตามความสามารถแล้วเราจะมีความสุขทั้งในขณะที่เรามีชีวิตอยู่และในขณะที่เราตายไปจะไปสู่สุคติอย่างแน่นอนการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนายะถาสัพพีอันเดียวก่อนไว้ได้มันคิดเไร เดินไปมาเดี๋ยวตั้งหลับมันนึกไม่ออกมันหายไป <c oughs> ย่าถายังจำไม่ได้ความจำไม่ดีทนะั <c oughs> ้งจะอนุโมทนาให้พรย่าทาวาลิวาหาปุราปาริปุเรนติสาคารังเอวามวาอิโตทินังเปตานาังอุ ป, ปกักปะติ อิชิตังปฏติตังตุมหังคิดเป้เมวะสมิจจโตสัพเพบริเณตุสังกปาจันโทปันาราโสยถามณิโชติราโสยถาสัพพิติโยวิวัชานโตสัพพารโควินาสตุ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 วันนี้ทาง Facebook เข้ามา443ย t u b บ186วิทยุออนไลน์37รับฟังข้างบนนี้42คนรวมทั้งหมด708ครับ ถ, ถ้า Facebook มาก YouTube ก็น้อยสแสดงว่าย้ายจาก YouTube ไปดู f a c e b o o พอดีวันนี้ YouTube ภาพมันหายไปช่วงนี้ครับมีปัญหา YouTube เลยหายเลยลดลง ธรรมดายู u ูบต้องสองร้อยกว่า f a c e b o o สามร้อยกว่าอันนี้ f a c e b o o สี่ร้อยกว่าก็แสดงว่าย้ายจาก YouTube ไปมีสองช่องท่านที่ติดตามถ้าช่องใดช่องหนึ่งเสียก็ลองเปลี่ยนอีกช่องหนึ่งดูถ้าเสียทั้งสองช่องก็มีช่องที่สามมีเสียงวิทยุ online. ออนไลน์ก็มีวิเครื่องมีช่องสำรองไว้สามช่องด้วยกันน้า แ, แต่ ว่ามันมีปัญหาตรงไหนหรือไม่ใครพอมีปัญหาก็แจ้งเข้ามาได้เลยเพราะมีผู้คอยติดตามรับข่าวสารจะได้แก้ไขได้อย่างรวดเร็วเพราะเครื่องไม้เครื่องมือบางทีมันก็เสียได้บางทีมันก็มีปัญหาได้ทางเราถ่ายทอดสดถ้าเราไม่คอยติดตามดูผลเราก็จะไม่รู้ ถึงต้องมีสองคนเนี่ยที่ทำงานคนหนึ่งคอยคุมกล้องอีกคนคอยตรวจดูข้อความต่างๆที่ส่งเข้ามาว่ามีปัญหาตรงไหนหรือไม่บางทีภาพไม่มีมีแต่เสียงบางทีมีภาพแต่ไม่มีเสียงอพอมีปัญหาก็ต้องรี บ, รบมาทดลองแก้กันดูว่าอยู่ตรงไหนกันแน่ว ะ, ะบางทีก็อยู่ที่แบตเตอรี่บางทีก็อยู่ที่สาย สายเสียบบางทีก็เสียหรือเสียบไม่แน่นมันมีปัญหาได้หลายรูปแบบบางทีซอฟต์แวร์ไม่ได้อัปเดตก็มีปัญหาได้ดังนั้นการถ่ายทอดสดไม่ใช่เป็นของกล้วยๆถ่ายทอดสดที่จะให้มันลาบเรื่องนี้มันจะต้องทุกอย่างต้องพร้อมบริบูรณ์ถ้าขาดไปอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วมันก็มีปัญหาได้ มีคำถามก็อ่านได้ถามได้คำถามจากคุณแมวหนูอยากทราบว่าถ้าเรารักษาศีลแปดเองโดยยังไม่ได้รับศีลจากพระจะได้ไหมคะได้ศีลไม่ได้อยู่ที่พระแมอยู่ที่การรักษาที่ไปหาพระเพราะไม่รู้ว่าศีลมีอะไรบ้างพระมีหน้าที่สอนพระเป็นครูพระไม่ได้เป็นคนให้ศีลเรา การให้ศีลเป็นการสอนว่าศีลมีอะไรไม่ใช่ยกศีลของพระไปให้โยมถ้าให้ไปพระก็ไม่มีศีลเหลืออยู่เลยซิการไปขอศีลจากพระเป็นการไปถามไปเรียนว่าศีลแปดมีอะไรบ้างรักษาอย่างไรให้ถูกต้องถ้าเราอ่านแล้วเราเข้าใจว่ารักษาอย่างไรเราก็รักษาได้เลยสมาทานเองได้การรักษาศีลนี่มีอยู่สามวิธีด้วยกัน วิธีหนึ่งสมาทานไปขอจากพระถ้าไม่รู้ว่าศีลหน้าเป็นยังไงไม่รู้ว่าศีล8ดเป็นยังไงศีลสิบเป็นยังไงศีลสองเป็นยังไงอันนี้ก็ต้องไปสมาทานไปที่วัดไปขอจากพระเรียกว่าสมาทานศีลศีลก็แบบที่สองก็คือศีลวิลัต์แปลว่าเราตั้งใจวิลัตคืองดเว้นการกระทาข้อนั้นข้อนี้น เราวันไหนอยากจะรักษาศีลข้อไหนเราก็วิลัตก็คืองดเว้นเหมือนมังสวิรัตนี่แปลว่างดเว้นการรับประทานเนื้อสัตสว์เนี่ยศีลวิลัตก็คือเนี่ยบาปวิรัตก็คือเราจะไม่ทำบาปข้อใดข้อหนึ่งเราก็ลึกขึ้นมาในใจตั้งจิตอธิษฐานขึ้นมาว่าวันนี้จะรักษาศีลกี่ข้อก็ว่าไปศีลห้าศีลแปดก็ว่าไป พอเราตั้งใจแล้วเราก็ต้องรักษาต่อถึงจะมีศีลศีลถึงจะเกิดขึ้นได้ถ้าตั้งใจว่าจะรักษาศีล น, นะพอถึงเวลาก็ไม่รักษาพอเพื่อนมาชวนไปดื่มชวราก็ไปอย่างนี้อย่างนี้ก็ไม่ได้รักษาเอเพื่อนมาชวนก็บอกวันนี้ไม่ดื่มชวราวันนี้ถือศีลไม่โกหกพูดตามตามความเป็นจริงเออเพื่อนจะเสียใจหรือโกรธก็ช่วยไม่ได้ะ นี่คือวิธีที่สองของการนักษาศีลคือนึกขึ้นมาในใจตั้งจิตอธิษฐานเรียกว่าศีลเวลาศีลแบบที่สามก็คือศีลของพระอริยะคือมีศีลโดยอัตโนมัติพระอริยะนี้ไม่ทำบาปโดยเด็ดขาดเพราะมีปัญญามีดวงตาเห็นธรรมเห็นว่าทำบาปแล้วเป็นอันตรายต่อจิตใจไม่ได้เป็นคุณเป็นประโยชน์แตอย่างใด นี่ก็คือวิธีรักษาศีลสามรูปแบบด้วยกันเถ้าเราอยู่ที่ไม่มีพระไม่มีวัดเราแต่เรารู้ว่าศีลเป็นอะไรเราก็รักษาไปเลยไม่รู้เดี๋ยวนี้เราก็มีวัดอยู่ในมือถือเราแล้ ว, ลวอยากจะเข้าไปถามวัดไหนก็ใส่ชื่อวัดใส่ชื่ออะไรเข้าไปมันก็โผล่ขึ้นมาเองอนนเรามีวัดอยู่ในกำมือแล้วทุกวันนี้ไม่ต้องไปถึงตัววัดเลย นึกถึงอยากจะได้ฟังคำสอนคำเทศของอาจารย์องค์ไหนก็กดชื่อเข้าไปเขียนชื่อเข้าไปมันก็เด้งขึ้นมาบอกทันที่ต่อไปคำถามจากผู้ฝากถามแฟนหนูเป็นคนชอบดื่มเหล้าหนูควรจะวางใจอย่างไรที่จะใช้ชีวิตคู่ร่วมกันคะบางทีก็พยายาม จูงใจเขาว่าให้ลดให้เลิกแต่ก็ไม่ได้ผลหนูคนทําอย่างไรดีเจ้าค่ะก็คิดว่าเหมือนอยู่กับม้าไงเราเลี้ยงม้าเราก็อยู่กับมันได้ไม่ใช่เลยก็อยู่กับม้าเนี่ยคนที่ไม่รักษาศีลก็เป็นเดรัจฉานเนี่ยก็คิดว่าอยู่กับม้าไปก็แล้วกันอย่าไปคิดอะไรก็เราเลือกเขาเนี่ยมาเลือกอย่างเลือกม้าก็ต้องอยู่กับม้าเท่านั้นเอง ถ้าเลือกคนก็ต้องเลือกคนนี่เขาไม่ดืม่มโซราไม่ทำบาปเลยคำถามต่อไปจากคุณพิมพรเวลาหนูไปงานบวชพระชอบไปหยิบเหรียญโปรยทานมาไว้ที่หิ้งพระที่บ้านเจ้าขะกาเปลียนถามว่าเราจะนำเหรียญ น, นี้ไปต่อบบุญสิ่งใดได้บ้าง เราอย่าไปรับเลยเราเป็นขอทานหรือเปล่าอันนั้นเ้าโปรยให้พวกขอทานเรามีเงินมีทางเราอย่าไปรับทานของขอทานรับมาก็ไม่ไม่ได้บุญอะไรได้เป็นขอทานถ้าอยากจะได้บุญต้องฟักเงินกับเงินในกระเป๋าเราช่วยโปรยกับเขาไปจะได้บุญแต่ไปรับ เหลียนที่เขาโปรยในงานศพงานอะไรนี้เขาโปรยให้คนยากคนจนไม่ใช่โปรยให้คนมีสตังค์คนมีสตังค์ไปเก็บก็ถือว่ายังเป็นคนจนอยู่ยังโลภอยู่นั่นเองยังมีความอยากได้เงินอยู่เห็ุนอย่าไปรับเงินโปรยเงินบปยจากอะไรต่างๆนอกจากว่าเราไม่มีจริงๆเราเดือดร้อนจริงๆก็รับไปอันนี้ก็มีไว้สาหรับให้คนที่เดือดร้อนคนยากจน ถ้าเราไม่เดือดร้อนไม่ยากจนเราอย่าไปเอาเงินของคนยากจนเรามีเงินเราเอาเงินไปทำบุญทำทานดีกว่าจะได้บุญไปรับเงินที่เขาปล่อยนี้ไม่ได้บุญได้แต่การเป็นขอทานต่อไปคำถามจากคุณวิสาขา การที่เรามาพบพระพุทธศาสนาและได้ปฏิบัติธรรมเรามีต้นทุนบุญมากใช่ไหมเจ้าคะไม่หรอกการมาเจอก็เหมือนกับจะเอกันนั้นเองถึงเวลามันมาเจอก็เจ อ, เ จ, อจะมีบุญมากไม่บุญน้อยก็อยู่ที่ว่าเราเข้าถึงศาสนาได้ง่ายหรื อ, อยากถ้าเข้าได้ง่ายก็แสดงว่ามีบุญเยอะถ้าเข้าได้ยากก็แสดงว่ามีบุญน้อย เห็นไหมคนคนในเมืองไทยนี้ต้องเป็นจะอยู่ในเมืองพุทธแต่เข้าเข้าถึงศาสนาได้ยากง่ายต่างกันใช่ไหมบางคนนี้แทบจะไม่เคยเข้าวัดเลยสแสดงว่าไม่มีบุญเก่าเลยคนที่เข้าวัดง่ายี่ยอย่างพวกเรานี่วันหยุดวันวันทำงานก็ยังมาเข้าวัดกันอยู่สแสดงว่าเข้าวัดง่ายคนที่ต้องไปทำงานก็เข้าวัดไม่ได้ คนที่เข้าวัดง่ายเข้าหาศาสนาง่ายเรียกว่ามีบุญเก่ามากคนที่เข้าหายากก็แสดงว่ามีบุญเก่าน้อยคำถามต่อไปจากคุณน้ำเราควรเจริญภาวนาด้วยการเดินจงกรมหรือนั่งสมาธิให้ได้มากกว่าการเจ้าค้าและจำเป็นต้องทำทั้งสองอย่างหรือไม่คืการปฏิบัตินี้ปฏิบัติเพื่อเจริญสติ สติเนี่ต้องเจริญทุกเวลาตั้งแต่ตื่นจนหลับไม่ว่าจะอยู่ในิริยาบทไหนเดินยืนนั่งนอนก็ต้องเจริญสติถึงจะเรียกว่าภาวนายังคณก็เลือกเอาคณอยู่ในเรยาบทไหนคณก็เจริญสติภาวนาได้ทุกเวลาทุกิริยาบทไม่ต้องเลือกถ้าคุณจเจริญสติแล้วคุณจะรู้เองว่าต้องเจริญทุกเรยาบด ท, ทุกขณะจิตตั้งแต่ตื่นจนหลับ ยกเว้นเวลาหลับเท่านั้นที่เจริญสติไม่ได้เพราะหมดสติคำถามต่อไปจากคุณแมนการพอใจในสิ่งที่ตนมีนั้นคือโลภหรือไม่อย่างไรหรือจะเป็นการไม่ขวนขวายหรือเปล่าครับเพราะหน้าที่การงานที่เป็นอยู่ไม่ได้ใหญ่โตอะไรเพียงแต่เล็กน้อยพอใจอย่างนั้นแล้วจะเป็นการสร้างทุกข์สร้างบาปหรือไม่อย่างไรครับ ถ้าเราไม่ได้เป็นคนหารายได้ได้มากอย่างที่เคยทํามาแล้วเราจะกลายเป็นคนที่เกียจขี้คร้านให้โลกเขาตินินทาหรือเปล่าครับหรือว่าเป็นการดีแล้วครับการยินดีตามมีตามเกิดเรียกว่าสันโดดมันมีประโยชน์กับจิตใจคือจิตใจไม่วุ่นวายถ้าไม่ยินดีมันก็จะต้องไปหามาเพิ่มแต่ถ้ายินดีก็ไม่ต้องไปหามาพอแล้ว ถ้าพอแล้วมันก็อิ่มถ้ามันไม่พอมันก็หิวเราอย่าไปมองว่าขี้เกียจหรือไม่ขี้เกียจอย่าไปมองว่าคนเขาจะว่าเราหรือไม่ว่าเราเราดูที่ใจเราสบายหรือไม่สบายถ้าใจเราสบายแล้วต่อให้ใครเขาด่าก็เรื่องของเขาดีกว่าใจเราทุกข์แล้วให้เขาชมว่าโอยเราคนนี้ขยนันร่ำรวยอย่างนั้นอย่างนี้แต่นอนเวลานอนต้องนอนเอาตีนกายหน้าผากนอนไม่ดับ จะเอาอย่างไหนถ้าอยากจะนอนหลับสบายเตื่นก็สบายก็ให้สันโดษมักน้อยสันโดษ ย, ยินดีตามมีตามเกิดพอมีพอกินก็พอแล้วคนนางโลกก็จะว่าไม่ขวนขวายว่าขี้เกียจกับเรื่องปากของเขาท่านเองไม่ได้มาทำให้เราสุขหรือทุกจากปากของเขาใจเราสุขหรือทุกอยู่ที่ว่าโลภหรือไม่โลภสันโดษหรือไม่สันโดษถ้าโลภแล้วก็ทุกถ้าไม่สันโดษก็ทุก ถ้าสันโดษยินดีตามมีตามเกิดแล้วไม่ทุกข์อย่างแน่นอนคำถามต่อไปจากผู้ฝากถามเด็กสามขวบไม่อยากประเคนถวายน้ำพระแต่เราบังคับจับมือเขาประเคนพระท่านไปอย่างนี้เด็กคนนั้นจะได้บุญไหมครับยังหรอกเด็กไม่รู้ภาษีภาษาอะไร เป็นการฝึกฝนอบรมไปสอนเขาไปก่อนนั่นเองการจะได้บุญนี้ต้องเกิดจากการมีความอยากอย่างเด็กคนเมื่อกี้ถวายของนี่เขารูเข า, เขาูว่าเขาทำอะไรแล้วก็อยากจะทำไม่ต้องถูกบังคับเขามาทำด้วยความอยากทำของเขาทำตามที่ได้ถูกสอนมาไม่ต้องบังคับกันอย่างนี้ถึงจะได้บุญ แต่ถ้ายังไม่รู้เรื่องก็ต้องบังคับไปก่อนสอนไปก่อนเด็กถ้าไม่สอนมันจะรู้เรื่องอะถ้าไม่สอนมันพูดมันพูดได้ที่ไหนไม่สอน ion, มันกินมันกินได้ที่ไหนเด็กต้องสอนมันถ้าไม่สอนเด็กเราก็ละปล่อยปะละละเลยหน้าที่ของเราจะทำให้เด็กโง่ได้เด็กไม่ ả, เด็กไม่ฉลาดได้แต่ถ้าเราคอยสอนคอยบอกมันก็จะรู้จะฉลาดหรือถ้ามันดื้อ ม, มันไม่ยอมรับก็ช่วยไม่ได้ สอนแล้มันไม่ยอมทา ก, ก็แล้วไปถ้าอยากจะง้อก็ปล่อยมันง่ไปคำถามต่อไปจากคุณรสจนาถ้านอนพุโทโธตลอดเวลาไม่ทำบาปไม่ทำงานตายไปจะไปสวรรค์ไหมครับไ ม, ไม่ทำบุญไม่ไม่ได้ไปหรอกถ้านอนพุโทโธส่วนใหญ่มันก็จะหลับมันไม่ได้เข้าฌาน ถ้าจะไปสวรรค์ต้องเข้าฌานแต่ถ้านอนพุทโธนี่แสดงว่ามันขี้เกียจมากเวลานอนปั๊พุทโธสองคำมันก็หลับครอครอกไปอย่างนี้ก็ไปสวรรค์ไม่ได้แต่ไม่ทำบาปก็ไม่ไปอบายแต่ไม่ไปสวรรค์ตายไปก็กลับมาเป็นมนุษย์เหมือนเดิมขี้เกียจเหมือนเดิมนอนนอนพุทโธเหมือนเดิม คำถามต่อไปจากคุณธรรมนูนปกติผมพยายามรักษาสินแปดทุกวันแต่ด้วยสภาพการทำงานพักเที่ยงแล้วจึงได้ทานอาหารหลังเที่ยงวันแต่หลังจากมื้อเที่ยงก็จะไม่ทานอาหารอีกแต่ด้วยความไม่สมบูรณ์นี้จึงไม่กล้าสมทานสินด้วยตนเองแต่ก็นึกพยายามทุกวัน อยากเรียนถามว่าผมควรจะสมทานศีลหรือไม่ควรสมทานศีลดีกว่าครับเพราะรักษาศีลแปดได้ไม่สมบูรณ์ครับหรือสมทานไม่สมทานไม่สำคัญสำคัญที่รักษาหรือไม่รักษาถ้ารักษามันก็มีศีลขึ้นมาถ้าไม่รักษามันก็ไม่มีศีลจะสมทานหรือไม่สมทานมันไม่เกี่ยว สมาทานก็เป็นเพียงแต่ความตั้งใจว่าจะรักษาศีลตั้งใจแล้วไม่รักษาศีลมันก็ไม่มีศีลอยู่ดีไม่ตั้งใจสมาไม่ตั้งใจไม่สมาทานแต่รักษาเป็นปกติมันก็ไม่ต้องสมาทานถ้าเรารักษาของเราเป็นปกติก็ไม่ต้องสมาทานแล้วสมาทานหนเดียวก็พอแล้วศีลแปด น, นี้ถ้าต้องกินข้าวชั่วโมงหนึ่งหลังจากกินตอนเที่ยง เลยไปหน่อยนะี่ไม่ไม่ขาดหรอกมันเป็นเรื่องเรื่องของความเหมาะสมเรื่องของการเวลาไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องศีลเพราะก็กินมือก็กินไม่ไม่กินมากไปกว่าคนที่กินก่อนเที่ยงเห็นไหเอเพียงแต่ว่าการทำงานสังคมมันบงังคับให้ต้องกินหลังเที่ยงเทนั้นเองเอคําถามต่อไปจากคุณอภิชาติ คนที่อยู่เฉยๆไม่ได้ทำผิดศีลแต่ไม่ได้ตั้งใจที่จะรักษาศีลหรือคิดจะละบาปแต่เขาไม่ได้ทำบาปเลยเช่นคนที่กินนอนอยู่ที่บ้านเฉยๆแบบนี้ชื่อว่ามีศีลหรือรักษาศีลไหมครับและจะได้บุญกุศลในส่วนนี้ไหมครับไม่หรอกคนที่พิการก็ไม่ได้ทำบาปแต่ก็ไม่ได้หมายเขาเขารักษาศีลเพียงแต่ว่าเขาไม่สามารถใช้ร่างกายของเขาไปทำบาปได้ ก็เลยดูเหมือนเขาว่าเขามีศีลแต่ถ้าเกิดร่างกายเขาแข็งแรงก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะไปทําบาปหรือไม่ทําบาปต้องดูตอนที่ร่างกายเขาใช้งานได้ถ้าตอนที่ร่างกายเขาใช้งานไม่ได้จะไปบอกว่าเขามีศีลไม่มีศีลมันก็พูดต่างความจริงมันก็จะพูดว่าได้ก็ได้เพราะคนนอนหลับก็มีคนมีศีลพวกเรามีศีลทุกคนเวลานอนหลับ นอนหลับไม่กินเหล้าไม่รักทรัพย์ไม่ทำอะไรทั้งนั้นแต่มันเป็นศีลมันมีประโยชน์หรือว่าไม่มีประโยชน์นการรักษาศีลต้องรักษาตอนที่เรามีมีสติมีความสามารถที่จะทำบาปได้แล้วเราไม่ทำอันนั้นถึงจะเรียกว่ามีศีลคําำถามต่อไปจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามคนที่มีครอบครัวครองเรือนสามารถบรรลุโสดาบันได้ไหมครับ ผมรู้แค่ว่าโสดาบันจะรักษาศีลยิ่งกว่าชีวิตก่อนให้ทำบุญทาทานให้ได้ก่อนเถอะรักษาศีลให้ได้ก่อนแล้วภาวนาให้ได้ก่อนต้อค่อยไปกังวลกับการเป็นโสดาบันนะคำถามต่อไปจากผู้ฝากถาม การทำทานรักษาศีลกับการภาวนาถือว่าเป็นการทำบุญอยากทราบว่าการภาวนาเกิดบุญมากกว่าทานอย่างไรครับและบุญจากการภาวนาเกิดขึ้นตรงไหนอย่างไรครับก็จากความสงบเนี่ยการทาทบุญทุกระดับทำให้ใจสงบใจทุกข์น้อยลงทำทานก็ใจก็สงบจากความอยากใช้เงินไปเที่ยว รักษาสินใจก็สงบจากการไม่ไปสร้างความเสียหายเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นการภาวนาก็ทำใจให้สงบแต่มันเป็นขั้นบันไดก่อนจะภาวนาได้ต้องรักษาสีลให้ได้ก่อนก่อนที่จะรักษาสินได้ต้องทำทานให้ได้ก่อนถ้าทำทานไม่ได้รักษาสีลไม่ไม่ได้ถ้ารักษาสีลไม่ได้ภาวนาไม่ได้งั้นถึงมั้จะรู้ว่าภาวนามีบุญมากกว่า จะไปภาวนาเลยโดยที่ยังตนันียังโลภอยู่ภาวนาไม่ได้ผลยังทาบาปอยู่ไปภาวนาไม่ได้ครับคำถามต่อเนื่องครับแล้วบุญที่เกิดจากการภาวนาสามารถอุทิศให้ผู้อื่นได้หรือไม่ครับก็ไม่อุทิศหรอกเพราะไม่มีกันจะไปอุทิศอะไรบุญภาวนานี้ทำไปทั้งชาตินั้นอาจจะยังไม่เกิดก็มีเราไปถามคนที่ภาวนาดูว่าใจสงบบ้างหรือ ย, อยัง ถ้าอยากจะอุทิศบุญนะทำบุญถวายสังฆทานไปนะนั้นเรียกว่าฟาสฟูดก็ะเหมือนแมคโดนัลไม่ต้องไปรอสั่งอาหารตามสั่งไปที่ร้านปุ๊บบอกต้องการอะไรเขาหยิบใส่ถุงให้ทันทีเลยถ้าอยากจะอุทิศบุญให้ทำทาทานทำทานแล้วอุทิศเขาไม่ได้ยอมอุทิศบุญด้วยศีลด้วยภาวนาเพราะว่ามันหนึ่งมันยังไม่มีหรือยังมันไม่ครบนะ ศีนก็ขาดขาดเกินเกินอุทิศศีนก็เหมือนอุทิศผ้าคีรีว่ะคือมไม่ได้เป็นเสื้อใหม่ผ้าใหม่เพราะมันไม่ได้มันไม่ครบบริบูรณ์น่ะขาดขาดเกินเกินภาวนาก็ยังไม่เข้าถึงจุดที่มันสงบสักทีแล้วจะเอาอะไรไปอุทิศได้คาถามต่อไปจากคุณพิมพรนะจากคำถามที่เก็บเรียนจากงานบวชนะครับเขาบอกว่า ตอนนี้หนูเอาเงินนี้ไว้ที่ไหนได้เจ้าค้าหรือหนูจะเอาไปหยอดตู้น้ําไฟที่วัดได้ไหมเจ้าค้าได้เอาไปทําทานในรูปแบบไหนก็ได้อืมก็จะเป็นบุญเราก็จะได้บุญให้ขอทานก็ได้เราจะได้เลือกจากการเป็นขอทานเป็นคนให้ทานแทนนอย่าไปเป็นคนรับทานเป็นคนให้ทานนแต่พระนี้ต้องเป็นขอทานเพราะพระเจ้าไม่ต้องการให้พระนี้เป็นคนให้ทาน น, นี้ต้องการให้ภาพเป็นขอทานไม่ให้มีทรัพย์ให้อยู่แบบขอทานคำถามต่อไปจากคุณนันทณีลูกสาวมีคนรักเป็นชาวต่างชาติมีแผนจะแต่งงานแล้วย้ายไปอยู่ต่างประเทศเราอายุมากแล้วพบกันอีกครั้งอาจมาเผาศพแม่พยายามสอนตัวเองด้วยไตลรลัก แต่ยังไม่สามารถตัดความทุกข์ได้จะทำอย่างไรดีเจ้าคะก็ต้องคิดไปบ่อยๆคิดว่าเกิดมาแล้วต้องมีการพัดพลาดจากกันเป็นธรรมดาล่วงล่วงพลความพัดพลาดจากกันไปไม่ได้อาจจะตายก่อนที่ก็แต่งงานก็ได้ก่อนเราจะตายเมื่อไหร่ไม่มีใครไปกำหนดเวลาได้ฉั้นถ้าเราคิดอย่างนี้แล้วเราก็จะได้รับความจริงได้ว่าต้องมีการพัดพลาดจากกันเป็นธรรมดา และเวลาไหนาเมื่อไหร่ก็ไปกําหนดไม่ได้คำถามต่อไปจากคุณฮันเตอร์ในสมาธิผมทำสมถะด้วยและเจริญสติด้วยควบคู่กันในแต่ละครั้งได้ไหมครับอ๋อมันต้องเจริญสติมันถึงจะได้สมาธิสมาธินี่มันไม่เป็นเหตุมันเป็นผล มันจะเกิดก็ต่อเมื่อมีการจเจริญสติฉะนั้นคุณไปทําสติกับสมาธิควบคู่กันไม่ได้คุณต้องทําสติไปแล้วสมาธิ ม, าธมันถึงจะเกิดเหมือนจะกินข้าวสุกนี่ต้องหุงข้าวคุณจะหุงข้าวแล้วกินข้าวสุกไปพร้อมๆกันไม่ได้เพราะข้าวมันยังไม่สุกถ้าคุณยังไม่หุงคุณต้องหุงข้าวแล้วเดี๋ยวหุงข้าวไปแล้วเดี๋ยวข้าวมันก็สุกเองสุกแล้วคุณก็กินข้าวได้ สมาธิเป็นผลสติเป็นเหตุอย่าสับสนกันเดี๋ยวจะไปนั่งสมาธิแล้วไม่เจริญสติก็ไม่มีสมาธิคำถามต่อไปจากคุณชัยวุฒิอยากทราบว่าการเจริญวิปัสสนากรรมฐานในชีวิตประจำวันทําอย่างไรครับและใช้อะไรเป็นเครื่องอยู่ของใจครับก็ดูว่าทุกอย่างไม่เที่ยงงานการนี้ก็ไม่เที่ยง จะตกงานเมื่อไหร่ก็ได้จะเลื่อนตำแหน่งขึ้นก็ได้จะจะถูกเขาไล่ออกก็ได้ให้คิดอย่างนี้ทุเมียอาจจะเลิกกันก็ได้เรืออากาจะตายจากเราก็ได้เราอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นอมพ์เพิกอมภาดก็ได้อันนี้อันนี้จังเท่านั้นตายรักเนี่ยให้พิจารณาไว้ว่าไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนเตรียมตัวเตรียมใจรับกับเหตุการณ์ไว้ ถ้าเตรียมรับกับเหตุการณ์ได้เวลาเกิดเหตุการณ์ก็จะไม่ทุกข์คำถามต่อไปจากคุณจินคอปมีสองคำถามครับคำถามที่หนึ่งระหว่างความก้าวหน้าทางการปฏิบัติธรรมกับวิปัสสุกิเลสผู้ปฏิบัติจะทราบและสังเกตได้อย่างไรครับอ๋อต้องมีครูบาอาจารย์คอยคอยสอนคอยบอกถ้าไม่มีครูบาอาจารย์มักจะหลงทางกัน น, นการปฏิบัติทางจิตตภาวนานี้ต้องมีครูบาอาจารย์ยกเว้นคนฉลาดจริงๆอย่างพระพุทธเจ้าคือไม่มีครูหาครูอาจารย์มาสอนไม่ได้ก็เลยต้องคอยสอนตนเองอันนี้ก็ต้องคอยสอดส่องดูใช้เหตุใชยผลคอยทดสอบจิตใจอยู่เรื่อยๆแต่ถ้าคนทั่วไปแล้วถ้าไม่มีครูอาจารย์มักจะหลงกันคำถามต่อไป สังขารความคิดและมโนวิญญาณเหมือนหรือต่างกันอย่างไรครับไม่รู้ว่ามโนวิญญาณมาอย่างไงมโนมันคำหนึ่งวิญญาณมนอีกคำหนึ่งคนละเรื่องกันนวิญญาณก็คือการรับรู้รูปเสียงกลิ่นรสผลทพะและความคิดปรุงแต่งนี่เรียกว่าวิญญาณสังขารก็คือความคิดปรุงแต่ง เมื่อกี้ก็ถามสังขารกับมโนวิญญาณใช่ไหมครับผมสังขารก็คือความคิดปรุงแต่งมโนแปลว่าใจผู้รู้วิญญาณแปลว่าผู้รับรู้รูปเสียงกลิ่นรสและความคิดปรุงแต่งมาให้มโนให้กับใจอีกทีหนึ่งมโนแปลว่าใจคำถามต่อไปจากคุณสัญญา ตามที่ท่านพระอาจารย์แนะนําให้จดจําพระพุทธรูปองค์หนึ่งแล้วให้เราหลับตาภาวนาพุทโธอันนี้เราควรกําหนดภาพพระพุทธรูปเอาไว้ที่ตัวเช่นกลางอกหรือไว้ตรงหน้าครับเอาไว้ที่ในใจเราเนี่ยหลับตาแล้วก็นึกถึงภาพพระพุทธรูปไม่ต้องพุทโธก็ได้พยายามนึกให้รูปนั้นปรากฏขึ้นมาในมโนภาพไม่ได้อยู่ที่กลางอกอยู่ที่ในร่างกายอยู่ในใจ อยู่ในมันจอจอใจใจนี่มีจออยู่มโนภาพตอนนี้เราหลับตา ม, มันจะเหมือนกับมืดแต่พอเราเนกถึงเงินปับ๊บเดี๋ยวเงินมันก็ลอยโผล่ขึ้นมาให้เราเห็นภาพเองเนคถึงทองเป็นแท่งเนียเดี๋ยวมันก็เป็นทองแท่งโผล่ขึ้นมาในใจพอมันโผล่ขึ้นมาแล้วก็พยายามรักษามันไว้ให้มันอยู่อย่างนั้นไปนานๆนนอย่างนี้ก็เรียวกว่าเป็นการทําสมาธิเป็นการเพ่งกสิน การเพ่งมโนภาพนี่เรียกว่าการเพ่งกระสินคำถามต่อไปจากคุณอู๋กำลังใจในการปฏิบัติธรรมเพื่อให้ทำต่อเนื่องไปตลอดต้องทําอย่างไรเจ้าคะก็ต้องทําให้ได้ผลพอได้ผลแล้วมันมกําลังใจมันมาเองเหมือนทํางานแล้วกํำไรนี่แหมมันขยันทําใหญ่ะถ้าทําแล้วขาดทุนนี่มันไม่มีกําลังใจที่จะทําทำ งั้นต้องปฏิบัติให้ถูกปฏิบัติให้ให้ได้ผลแล้วกำลังใจมันจะไหลมาเทมาคำถามต่อไปจากคุณกำพลเราจะมีวิธีอย่างไรที่จะไม่ให้คิดปรุงแต่งครับก็ใช้สติไงพุโทโธพุโทโธเนี่ยท่องพุโทโธไปทั้งวันมันก็จะคิดปรุงแต่งไม่ได้ คำถามต่อไปจากคุณสาวไหว้พระในบ้านทุกวันแล้วก็เปลี่ยนน้ําพระทุกวันดีไหมเจ้าคะเปลี่ยนก็ได้ไม่เปลี่ยนก็ได้พระเขาไม่รู้เรื่องหรอกว่าเราไหว้หรือไม่ว่ายไม่มีประโยชน์อันนี้เรียวกว่าอมิตรสบูชาพระพุทธเจ้าบอกให้ปฏิบัติบูชาดีกว่าให้นั่งสมาธิดีกว่าให้รักษาศีลดีกว่าให้ทําบุญใส่บาตดีกว่า คำถามต่อไปจากคุณมิลินดาเมื่อชาตินี้เราปฏิบัติธรรมภาวนาชาติต่ อ, ตอไปเรามีสิทธิที่จะไปเกิดในศาสนาอื่นหรือเป็นมิจฉาทิฏฐิไหมครับก็แล้วแต่ว่าเราปฏิบัติได้มากน้อยเอาติดตัวไปได้มากน้อยเท่าไหร่ถ้าได้มากมันก็จะทำให้เราไม่หลงไม่ลืมเราก็จะทำต่ อ, อแต่การจะไปเกิดในศาสนาไหนนี่มันเราไป บังคับไม่ได้แต่การปฏิบัติของเราในใจมันก็จะปฏิบัติไปเหมือนเดิมถึงแม้จะไปเกิดในศาสนาอื่นแต่มันถ้ามันมีนิสัยที่จะปฏิบัติแบบของพุทธมันก็จะปฏิบัติแบบของพุทธต่อไปแต่ถ้ามันไม่เป็นนิสัยมันก็จะลืมแลวมันก็จะไม่ได้ปฏิบัติย <c oughs> ิ่งต้องปฏิบัติจนเป็นนิสัยอย่างที่บอกต้องทำทุกวันทาให้มันเป็นนิสัยขึ้นมา แล้วมันก็พอม่พอมันจะไปอยู่ไปเกิดในศาสนาไหนมันก็จะทำของมันเหมือนเดิมต่อไป <c oughs> คำถามต่อไปจากคุณพีโกการภาวนาแบบใดถึงจะได้บุญ <c oughs> เช่นเดียวกับการทำทานกับการรักษาศีลครับแล้วมันก็เป็นการทำแต่ละอย่างที่ไม่เหมือนกันนะออการภาวนาจะได้ผลก็ต้องมีสติอย่างต่อเนื่อง ภาวนามีสติตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาพุโทโธตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาจนถึงเวลาหลับเนี่ยจะหยุดพุดโทโธต่อเมื่อต้องใช้ความคิดกับงานการเรื่องจําเป็นหรือถ้าไม่ได้คิดก็หยุดพุดโทโธได้แต่ถ้าคิดเพเ้อเจ้อเพ้อฝันก็พุโทโธพุโทโธหยุดมันไปหมดแล้วเลยโอเคถ้าเช่นนั้นก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา